เสียง่านหนังสือวินัยมุกเล่มหนึ่งคำนำพวกภิกษุเราเป็นหมู่ที่ตั้งโดยหลักฐานมีกฎหมายและขนบธรรมเนียมเป็นเครื่องปกครองเหมือนหมู่อันตั้งเป็นหลักฐานอื่นๆกฎหมายและขนบธรรมเนียมของพวกภิกษุเรานี้เรียกว่าพระวินัยเป็นคู่กับพระธรรมอันเป็นปฏิบัติทางใจรวมทั้งสองอย่างนี้ เป็นพระศาสนาเรียกโดยชื่อว่าพระธรรมวินัยพระวินัยนั้นมีตำนานว่าท่านพระอุบาลีเข้าใจมากได้ศึกษามาแต่สำนักพระศาสดาพระองค์ทรงยกย่องว่าเป็นเอตาทัตคะคือเป็นยอดแห่งภิกษุผู้ทรงพระวินัยไม่มีภิกษุอื่นเทียมถึงเมื่อพระศาสดานิพพานแล้วในพรรษานั่นเอง พระเทราทั้งหลายมีท่านพระมหาคสปะเป็นประธานประชุมกันทำสังคยนาวางแบบแผนแห่งพระพุทธศาสนาไว้เป็นหลักณกรุงราชฤท์พระนครห ล, ลวงแห่งแคว้นมคธในการสังคยนานั้นท่านสังคยนาพระวินัยด้วยส่วนหนึ่งแต่ถามขอให้ท่านพระอุบาลีวิสัชนาและวางเป็นแบบทรงจําเล่าเรียนสั่งสอนกันมาโดยปากหลายชั่วอายุ หรือล่วงหลายร้อยปีแต่พุทธปรินิพานกว่าจะได้เจ้าลึกลงเป็นอักษรในระหว่างนั้นเกิดความเข้าใจผิดกันขึ้นเป็นคราวๆพระเทราชทั้งหลายในสมัยนั้นได้ประชุมกันวินิจฉัยลงเป็นแบบนำสืบกันมาแบบอันพระธรรมสังขารทั้งหลายได้วางไว้นั้นเรียกว่าบาลีนับถือกันว่าเป็นแบบดั้งเดิมจำมาไม่เคลื่อนคลาด ทั้งท่านผู้ทำในครั้งแรกก็เป็นพระมหาสาวกในยุคพระศาสดาเป็นผู้มีปรีชาแตกชาในพระศาสนาเป็นพระอรหันต์ผู้บริสุทธิ์ประการที่พระอาจารย์ทั้งหลายในภายหลังรจนาแก่อัฏฐะแห่งบาลีนั้นเรียกอัฏฐกถานักถือคลายลงมาจากบาลีเพราะเป็นประการชั้นที่สองแต่ท่านผู้รจนาเป็นผู้รู้พระพุทธวจนะ จึงยังเป็นที่เชื่อฟังประกอบอันพระอาจารย์ทั้งหลายแต่งแก้หรืออธิบายเพิ่มเติมอัฏฐกถาเรียกดีกาที่เพิ่มดีกาเรียกอนุดีกานับถือน้อยลงมากกว่าอัฏฐกะถาถือเป็นเพียงมติของอาจารย์ผู้รจนาประกอบที่แต่งขึ้นตามความปรารถของพระอาจารย์ทั้งหลายไม่อยู่ในสายนี้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 ในคราวหลังๆเมื่อเกิดเข้าใจแผล ก, กันขึ้นว่าอย่างไรถูกหรือต้องการอธิบายข้อความอันยังไม่แจ่มราเทระผู้เป็นประธานในครั้งนั้นก็ประชุมกันทำสังคยนาวินิจัยแล้ววางเป็นแบบสืบลงมาอีกเป็นคราวๆกว่าจะได้จารึกลงเป็นอักษรจึงเป็นทางที่รจนาและอธิบายได้กว้างขวางกิริยาที่นาพระศาสนาสืบลงมา ด้วยไม่ได้จารึกลงเป็นอักษร น, นั้นมีตัวอย่างที่ลายเห็นอยู่ใกล้ขนบธรรมเนียมของพวกธรรมยุติกาวเรานี่เองตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ยังทรงผนวดจนบัดนี้คือพุทธศักราช2456นับได้60สิปีเศษล่วงไปแล้วนำสืบกันมาด้วยประพฤติตามกันไม่ได้จารึกลงเป็นอักษรเลยยกไวแต่หนังสือพระวินัยหนังสือพระธรรม แล ะ, มมะคำมคตที่จะต้องท่องบนพระบาลีที่ว่าเป็นของดั้งเดิมเป็นหลักฐานเป็นของบริสุทธินั้นปรากฏชัดว่าไม่เป็นสำคัญจริงดังที่นับถือกันมาเป็นของที่รจนาเพิ่มเติมเหมือนกันดังจะชี้พอเป็นตัวอย่างบาลีปาติโมกที่เรียกว่าบทมาติกาในพระสูตรว่ามีสิกขาบทร5อยห้าสคือไม่มีอนิจจต กับเศริยวัดนี่เป็นของเติมทีหลังแต่ครั้งรถนาบาหลีพระสูตรนั้นในบาหลีวิพังแกอัตถะแห่งศิกขาบทมาในปาติโมกกล่าวถึงของเจดีนี้บ่งชัดว่ารถนาเมื่อภายหลังครั้งมีเจดีอันศักดิ์สิทธิ์แล้วจึงมีผู้ถวายสิ่งของในคำภีขันธ ก, กะกล่าวถึงทำสังคยาครั้งแรก และครั้งที่สองบอกชัดอยู่แล้วว่าเพิ่มเติมกันต่อมานอกจากนั้นยังมีวิธีสอนให้ปฏิบัติในเมื่อสองแตกกันเป็นสองฝ่ายนี้ไม่ใช่พระพุทธจัร ญ, ญาเลยอันพระศาสดาควรจะสมานสาวกผู้แตกกันไม่ควรจะตั้งพระบัญญัติเปิดช่องให้แตกนี้เห็นได้ว่ารัตนาขึ้นครั้งหลังเมื่อสาวกแตกกันแล้ว กล่าวโดยเจาะจงเพิ่มเข้าเมื่อภิกษุพวกมหาวิหารกับภิกษุพวกอภัยย์กิรีวิหารในลังกาแตกกันแล้วกระมังอิริยาที่รจนาไม่ปรากฏว่าเป็นของท่านผู้บริสุทธิ์มีสติภัยบู์เพราะลายเห็นความสะเพราปรากฏอยู่ดังจะชี้พอเป็นตัวอย่างบาลีวิพังนั้น ท่านผู้รจนาไม่แน่แกใจว่าจะเรียงเป็นพระพุทธภาษิตหรือเป็นคำของตนเองเรียงกวัดแกงไม่สมต้นสมปลายข้อที่สักเพ่าอย่างยิ่งนั้นแกสันทัดกล่าวว่าเป็นของที่นุ่งห่มแล้วแม้คราวเดียวสันทัดเป็นของสำหรับรองนั่งนุ่งห่มไม่ได้สีก็ไม่ใช่สำหรับอย่างนั้นเหตุไฉนจึงแกเช่นนี้ จับได้ว่าแกจีวรเก่ามาก่อนว่าเป็นของที่นุ่งห่มแล้วคราวเดียวมาถึงวาระแกสันทัดเก่าไม่ทันพิจารณาลอกเอามาจากข้างต้นจึงเป็นเช่นนี้ยังมีคําพิรุธอีกมากเปล่าไว้ในหนังสือนี้บ้างก็มีส่วนอัตถกถาและดีกานั้นไม่จำาปรารบถึงในที่นี้นักเพราะเป็นแต่อาจริยวาส ฟังได้หรือไม่ได้ต้องอาศัยความพิจารณาพระวีนัยที่นเสืบกันมาช้านานโดยปากก็ดีโดยจาวรึกเป็นอักษรก็ดีย่อมมีข้อเข้าใจผิดเข้าแทรกแซงอยู่เป็นธรรมดาตามคราวที่พระอาจารย์ผู้เข้าใจผิดโรจนาเข้าไว้รังยังทำสังคยนาอยู่ข้อผิดเหล่านี้อาจลบล้างได้ ตั้งแต่จาวฤกลงเป็นอักษรแล้วข้อผิดเหล่านี้ก็ติดอยู่ในปกกอนไม่มีใครได้ลบล้างสังคาณที่ว่าทำครั้งหลังๆโดยเอกเทศเข้าใจว่าเป็นแต่เพียงชำระอักษรผิดแก้ให้ถูกเท่านั้นหนังสือที่แต่งกันในภายหลังท่านผู้รจนาไม่ได้ตั้งใจจะพิ จ, จรารณาหรือเอาความว่าเป็นอย่างไรเป็นแต่ถ่ายความในมคตภาษา ออกเป็นภาษาของชาติจัดระเบียบตามความพอใจของท่านตัวอย่างเช่นบุคภศิกขาวันน า, นาความฟั่นเฟือเแห่งพระวินยัยทำให้เกิดผลเป็นสองทางหนึ่งคือย่างผู้ไม่เคร่งไม่ให้มีแก่ใจเพื่อจะปฏิบัติเมื่อเป็นเช่นนี้ ย่อมไม่สำเร็จประโยชน์ในการปกครองภิกษุบริษัทให้เรียบร้อย 2. อ, อย่างภิกษุผู้เคร่งครัดให้หลงถืงงมงายสำคัญว่าตนดีกว่าผู้อื่นตั้งรังเกยียจผู้อื่นเพราะเหตุเล็กน้อยเพียงสักว่าทมเนียมก็ได้ทำความรำคาญให้แก่คนเองในเมื่อจะต้องเข้าสมาคมด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้ ย่อมไม่ยังผลคือความสบายใจให้เกิดแก่ผู้ปฏิบัติสมคำว่าพระวินัยมีความไม่ต้องเดือดร้อนใจเป็นอานิสงกลับจะได้ผลตรงกันข้ามคือวิปฏิสารความร้อนใจข้าพเจ้าปรารบพรพะวินยัยอันเป็นมาอย่างไรดังกล่าวแล้วมีความสลดใจจึงคิดรจนาวินัยมุกเล่มนี้ขึ้น เพื่อจะชี้ประโยชน์แห่งพระวินัยให้เพื่อนสหธรรมิกเห็นแม้ชะไหนจะได้ตั้งอยู่ในปฏิบัติพอดีพองามผู้ไม่เกรงจะได้รู้จักสํารวมรักษามร ญ, ญาตสมเป็นสมณนะฝ่ายผู้เกรงรัดเกินไปจะได้หางงมงายไม่ถือดีดูหมินผู้อื่นหรือแม้ชักนาผู้อื่นให้ปฏิบัติอันดีต่างจะได้อา น, นิสงคือไม่มีวิปัิสาร เพื่อกันความฟั่นเฟืออึดอัดใจเพราะเห็นอาบัติมากมายกายกองเหลือที่จะหลีกเลี่ยงให้พ้นข้าพเจ้าถือเอาหลักมาในบาลีที่แบ่งพระวินัยเป็นสองคืออาทิพรหมจริยกาศสิกขาแปลว่าข้อศึกษาเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรร์หนึ่งอภิสมารจาริกาศสิกขาแปลว่าข้อศึกษาเนื่องดยอภิสมาจาร คือมัญญาตอันดีหนึ่งมาตั้งเป็นกระทูแห่งปรกรณ์นี้และอธิบายความต่างกระทูนั้นเล่มหนึ่งว่าด้วยพระพุทธบัญญัติที่ทรงตั้งไว้โดยเป็นพุทธานาจัดว่าเป็นกฎหมายยกเป็นสำคัญสรงสวนทุกกลึงเดือนเรียกว่าพระปาติโมกเล่มสองว่าด้วยอภิสมาจารที่ทรงบัญญัติ หรืออนุญาตไว้โดยฐานเป็นขนบธรรมเนียมอันดีงามไม่ได้สงเคราะห์เข้าในพระปาฏิโมกข์ทั้งสองเรื่องนี้มีวิภากษ์เป็นอย่างไรมีแจ้งอยู่ในบัญชีเรื่องต่อไปนี้ข้าพเจ้าขอแสดงตนให้ท่านทั้งหลายทราบว่าข้าพเจ้าเป็นผู้เลื่อมใสในกาลามสูตรในติกานิบาตอังคุตระนิกายที่ท่านอ้างว่าเป็นพระพุทธภาษิต ตรัสแก่ชนกาลามาโคตเจ้าเกศาบุตานิคมในโกสลรัฐในพระสูตรนี้ตรัสสอนพวกกาลามะไม่ให้เชื่อถือโดยอาการสิบอย่างอันไร้จักเหตุให้พิจารณาด้วยตนเองเห็นว่าอย่างไรผิดก็อย่าให้ถือเอาอย่างไรถูกจึงถือเอาในอาการสิบนั้นจะกล่าวเฉพาะข้อเดียวคือตรัสห้ามไม่ให้เชื่อถือตามตำราตำรา นิสัยของข้าพเจ้าจึงไม่เชื่อคำที่กล่าวไว้ในประกรณ์ทั้งหลายได้ไปเลือกเชื่อแต่คำที่สมเหตุสมผลทั้งได้พบว่าประกรเหล่านั้นเป็นอย่างไรดังกล่าวแล้วจึงไม่ฟังเอาเป็นประมาณโดยส่วนเดียวตั้งหลักแห่งการรัชนาไว้ว่าข้อที่พิจารณาได้สมเหตุสมผลจึงจะถือเอาเป็นประมาณข้อที่พิรุก็ต้องคานติงไว้ ไม่ว่ามาในบาลีหรือในอัทธกถาและแสดงมติของข้าพเจ้าไว้บ้างเพื่อเป็นทางดําริีของนักวิัยข้าพเจ้ามุ่งความเจริญแห่งความรู้เป็นที่ตั้งท่านน้อมใจเชื่อเป็นญาณวิประยุติแล้วความรู้ย่อมไม่เจริญเลยในการรจนาหนังสือนี้ข้าพเจ้าได้อาศัยบุพพสิกขาวันน า, น, านาเป็นอย่างมากเพราะท่านผู้รจนา ได้เลือกจัรกรพรรดิทั้งหลายมารวบรวมไว้ในเรื่องเดียวทั้งความมุ่งหมายของข้าพเจ้าก็เพื่อจะแต่งแก้บุพพสิกขาวันน า, นาเหมือนเป็นดีกาของหนังสือนั้นบุรณะข้อที่บกพร่องและแก้ข้อที่ผิดให้สำเร็จประโยชน์จึงต้องใช้หนังสือนั้นเป็นเครื่องมือและถือว่าเก็บข้อความในบุพพสิกขาวันนา น, านั้นมาเรียงเข้ารูปใหม่ก็ได้ ข้าพเจ้าขอแสดงความระลึกถึงอุปการะของท่านพระอมราพิรกิจอมรเกิดเจ้าวัดป ร, รมนิวาสผู้รจนาหนังสือนั้นอันหนึง่งข้าพเจ้าขอขอบใจพระธรรมไตรโลกาจารยานาโวราจรินเจ้าวัดเทพสิรินทราวาสผู้เป็นคู่ปรึกษาของข้าพเจ้าทั้งได้ช่วยค้นที่มาแห่งข้อที่ต้องประสงค์ให้ด้วยและขอขอบใจพระมหาอุปคุตโตอาบ วัดประวรนิเวศวิหารสัตว์ทวิหาริษของข้าพเจ้าผู้ช่วยร่างในเวลารจนาข้าพเจ้าขออุทิศน้ำพักน้ำแรงแห่งการรจนาวินัยมุกเล่มนี้บูชาท่านบุรพาจารย์ผู้บริหารพระพุทธศาสนาสืบกันมาตลอดถึงพระอุปัชายะพระอาจารย์ผู้สั่งสอนข้าพเจ้าให้ข้อใจพระธรรมวินยัยได้ความรู้มารจนาปรกร น, นี้แหละลงชื่อ กรมวชิรญาณ น, นวรโรดตวัดประวรนิเวศวิหารวันจันทร์ที่6กตุลาคมพุทธศักราช2456